เจริญพรแต่ท่านเป็นกรรมการพุทธการใหญ่หรือเป็นประธานในการที่ดูแลบริษัททีโอตีจำกัดมหาชนแล้วขอเจริญพรแด่ศรัทธายาโยมทั้งหลายทุกท่านที่จเจริญแล้วด้วยศรัทธา ความเชื่อความเลื่อมใสในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าวันนี้ในานามของประธานชมรมพุทธไดอารัธนาอารมมาราับอ่านบิณฑบาตตอนเช้าและตอนเที่ยงเที่ยงก็อารัธนาให้ธารมามาปารัธรบรมหรือแสดงธรรม อาตมาก็จะได้น้อมนำเอาคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่จะมาได้ประพฤติและปฏิบัติมาแล้วเห็นคุณค่ามาแล้วแล้วก็ได้สัมผัสมากับความเป็นจริงในการประพฤติและปฏิบัติธรรมที่เรามุ่งมั่นตั้งจิตตั้งใจ ด้วยศรัทธาความเชื่อความเริ่มใสแล้วเอาจริงเอาจังกับการประพฤติปฏิบัติธรรมจนจนเกิดความรู้ <c oughs> แล้วก็ความเข้าใจในธรรมคำสอนขององค์สมเด็จพระ ส, มรสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ยินได้ฟังธรรมาแล้วเราก็ได้ยินได้ฟังแต่รพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่เราได้สัมผัสกับท่านมา เช่นพระอุปัชฌายะของธรรมาก็คือพระกรูโกวิทธรรมคุณได้ถึงแก่มรณภาพไปแล้วเมื่อปีที่แล้วได้มีการพระราชทานเพลิงไปแล้วพระอาจารย์ที่ให้อัดให้ธรรมธรรมาเช่นท่านพ่อเฟื่องโจติโกซึ่งเป็นอาจารย์องค์แรก ที่ให้ธมารู้จักคำว่าลมการภาวนานั้นเรากำหนดดูลมให้ใจเข้าและออกลมนั้นเป็นสิ่งที่มีอยู่ในกายของเราตลอดที่มันเข้าและออกตามปกติของมันจึงทำให้สังขารของเราอยู่ได้แต่เมื่อเราหายใจลมเข้าไป ก็มีอากาศเข้าไปด้วยอากาศนั้นทำให้ชีวิตของมนุษย์เราอยู่ได้ลมนั้นก็ทำให้ร่างกายของเราไม่เน่าไม่เปื่อยหมุนเวียนกันไปเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกเข้าแล้วก็ออกแม้แต่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราพระองค์ก็เคยได้กำหนดรู้ที่ลมหายใจเข้าและออกนั่งไปนั่งมานั่งไปนั่งมา ในวันที่พระบิดาพระสุทโธทธนะทำพิธีแลกนาฝันเมื่อกำหนดดูดูลมหายใจเข้าและออกนานเข้านานเข้าจิตไม่ไปไหนจิตมันก็นิ่งรับรู้อยู่กับลมหายใจเข้าก็รู้หายใจออกก็รู้นานไปนานไปทำให้สิทธถราชกุมาร น, นั้นถึงแม้ว่ามีอายุอยู่ยังเยาว์วัยอยู่ก็ตาม แต่ในเรื่องของกายมันอายุวะเยาว์วัยอยู่แต่ในเรื่องของจิตใจบารมีแห่งพระพุทธเจ้านั้นแห่งสิท ธ, ธัตถราชกุมารนั้นผู้บำเพ็ญบารมีมาม่าผู้สะสมบารมีมามากบารมีทั้งหลายทั้งปวงเหล่านั้นก็ยังสถิตอยู่ในหัวใจไม่ได้เสื่อมคลายหายไปไหนพาดขันมันจะโถหมายตายจากไปพบแล้วพบเล่ลาาตดแล้วาตดเล่าก็ตาม แต่ด้วยบา ร, รมีที่สะสมมายังสถิตยอยู่ในจิตขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าในขณะที่พระองค์เสวยชาติเป็นสิทธัตถราชกุมารเมื่อได้จิตที่มันนิ่งสงบมันก็กลายเป็นสมาธิทำให้กายนั้นเบาจิตนั้นเบาในตำนานเขาบอกว่าเมื่อกายเบาจิตเบานั้นกายนั้นลอยห่างจากพื้นดินประมาณห้าหกสิบเซน ทำให้คนเห็นแล้วก็ตกตะลึงว่าพมัยสิท ธ, ธัตถราชกุมารจึงลอยได้นั่นแปลว่าเมื่อกายมันเบาจิตมันเบามันก็เหมือนคนมองเห็นก็ลอยได้นั่นเพราะอำนาจแห่งความสงบของจิตศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนการสะสมบุญของเรามาในอดีตนั้นก็ไม่ใช่น้อยถ้าเราไม่ได้สะสมบุญมา เราไม่ได้สร้างความดีมาเราไม่ได้ให้ทานรักษาศีเลเจริญสมาธิภาวนามาชะไหนเลยเราและท่านทั้งหลายจะได้เกิดขึ้นมาเจอพุทธศาสนาเจอพ่อแม่ครูบาจารย์แล้วก็ได้สัมผัสกับแผ่นดินที่เรียกว่าเป็นแผ่นดินธรรมและแผ่นดินทองคาว่าแผ่นดินธรรมแผ่นดินทองนั้นเมืองไทยนั้นมี เหมือนกับว่าเป็นแผ่นดินธรรมปลูกอะไรอะไรอะไรก็ได้หมดนะพ่อแม่กรูบาจารย์ก็เกิดในแผ่นดินนี้มากมายธรรมก็สูงสุดก็เรียกว่าทองก็สูงสุดเพราะว่าแผ่นดินนี้เป็นแผ่นดินที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความชุ่มชื้นนะความสมบูรณ์เอาเม็ดอะไรหวาลงไปก็ขึ้นหมดเอาขาเอาตะไคร จมลงไปในดินมันก็ขึ้นหมดนั่นเพราะว่าแผ่นดินดีมันจึงทำให้ไม้อะไรก็ขึ้นเหมือนหัวใจของเราทุกท่านทุกคนธรรมะคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เป็นธรรมะที่ดีประเสริฐเดิดล้ำแล้วเมื่อเราและท่านทั้งหลายได้ยินได้ฟังกันโอปนายิโกโน้อมเอาธรรมเหล่านั้นไปสู่ใจของเราเมื่อใจของเราได้ยินได้ฟงังธรรม ใจเราก็ประพฤติปฏิบัติธรรมเหมือนศรัทธาญาติโยมของหลายในนามของบริษัททีโอทีบ้างในนามของศรัทธาญาติโยมทั้งหลายบ้างเมื่อใครในธรรมเมื่อเข้ามาประพฤติและปฏิบัติทํากายของตรงให้คอยกายทํากายขนตนเราให้สะอาดที่ญาติโยมทั้งหลายศรัทธาทั้งหลายที่สมาทานศีลหน้านั้นทํากายของเราให้บริสุทธิ์ ทำใจของเราให้สะอาดหมดจดความโกรธไม่มีความรูไม่มีความหลงไม่มีความอิจฉาทิสยาไม่มีในขณะนี้ว่าแตนั้นกิเลส ท, ทั้งหลายทั้งปวงมันถูกสต็อปไว้หยุดไว้ในขณะหนึ่งเพราะใจของเราไม่คิดใจของเราไม่ปรุงใจของเราไม่แต่งใจของเราไม่มีอาการปยาบาดศีล น, นั้นควบคุมจิตใจของเรานั้นให้บริสุทธิ์ กายเป็นเหมือนดังภาชนะนั่งสมาธิกันพร้อมกันทํากายของเรานั้นให้ตรงเท้าฝาทับเท้าซ้ายบ้างมือฝาทับมือซ้ายบ้างปล่อยวางทุกสิ่งทุกอย่างที่เป็นภาร ะ, ระเป็นหน้าที่เป็นเครื่องกังวลปลกปุ ก, ป ก, ปกลัดปูกเครื่องปลุกพันทั้งหลายทั้งปวงไม่ว่าจะความเป็นวิตกวิจารณปล่อยวางทั้งหมด ตอนนี้ภาชนะของโยมนั้นเป็นภาชนะที่สะอาดบริสุทธิ์พร้อมที่จะรองรับอัตธรรมที่เป็นของที่มีค่าที่เอาตามานั้นจะนํามาแสดงให้กับสถาญาตโยมทั้งหลายได้ยินใน้ฟังกันเมื่อจิตของเราพร้อมธรรมะพร้อมเมื่อธรรมะกับจิตมาเข้าละคนกันจิตนั้นก็จะมีแต่ความสว่างสวยัยสดชื่นและเบิกบานเพราะ กายนั้นได้อาหารรสชาติเปรี้ยวหวานมั น, คมมนเค็มที่โยมได้ทานกันไปแล้วใจของเรานั้นกำลังได้รับอาหารจากที่อาตามาได้น้อมนามาแสดงเพราะฉะนั้นศรัทธาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านทุกคนเมื่อกายมันสะอาดจิตมันบริสุทธิ์อะไรที่ผ่านเข้ามาในจิตที่มันเป็นสิ่งที่ดีๆเราก็จะเปิดประตูรับมันเข้าไว้รับมันเข้าไว้หัวใจของเราจิตของเรา นั้นก็เปรียบเสมือนดังตู้เซฟเก็บสมบัติทั้งหลายทั้งปวงที่เป็นของที่มีค่าที่มีอยู่ในไตพบแก้วแหวนเงินทองที่เราเก็บกันไว้มันก็มีวันสูญหายได้แต่ถ้าเราเก็บเอาความดีบุญกุศลที่เราเกิดขึ้นจากการนั่งสมาธิภาวนาวันแล้ววันเล่าวันแล้ววันเล่าครั้งแล้วครั้งเล่าทำเหล่านั้นก็ไหลก็ไปสู่ใจลงไปสู่ตู้เซฟของเรา เก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้เก็บสะสมไว้วันใดใจของเรานั้นมาไม่ผ่องใสเราก็นึกถึงบุญของเราใจนั้นก็จะผ่องใสขึ้นมาทันทีนั่นเหมือนตู้เซฟนำขึ้นมาใช้ได้นะเพราะฉะนั้นใครก็มาแย่งของเราเออกไปไม่ได้โจรก็พ้นเอาเราไปไม่ได้ไฟไหม้ทุกสิ่งทุกอย่างได้แต่ไม่สามารถที่จะมาไหม เอาบุญบรารมีที่เราสะสมของเรามาด้วยจิตที่บริสุทธิ์นะเอาไปจากเราได้นี่แหละเป็นสมบัติของใครของเราใครทำใครก็ได้ใครไม่ทําใครก็ไม่ได้ข้าวใครกินใครก็อิ่มใครไม่กินใครก็ไม่อิ่มนี่เรียกว่าธรรมะที่อาตมาจะนํามาแสดงที่เราและท่านทั้งหลายต้องใช้กันอยู่ทุกวันทุกวันเพราะความเป็นธรรมชาติของธรรมะ เพราะฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราที่พระองค์เป็นสิทธัตถราชกุมารพระองค์อยู่กับสมบัติมากมายอยู่กับบริวารมากมายแต่ทไหนเลยพระองค์จึงไม่มีความสุขทไหนเลยพระองค์จึงไม่มีความเพลิดเพลินกับสมบัติเหล่านั้นที่พระศาสดาพระองค <c oughs> ์สุทธิโททนะพระบิดาประทานพรให้ความเป็นพระหมหากษัตริย์ ยกสมบัติในกรุงกบินละพัททั้งหมดให้แต่พระองค์สัมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์สะสมบรารมีมาได้เกิดมาเป็นสิทธัตถะราชกุมารพระองค์สะสมบรารมีมาไม่ได้ปารานาเป็นพระมาหากษัตริย์พระองค์ไม่ได้ปารานามาเป็นนาเศรษฐีมาหาเศรษฐีแต่พระองค์ทรงปารานามาให้พ้นจากอาสวะกิเลสพระองค์ปารานาเป็นอนุตรสัมมาสัมพธญาณ เป็นศาสดาเอกของโลกเป็นผู้หมดอาสวะกิเลสนั่นสิ่งที่พระองค์พึงปรารถนาพระองค์จึงได้ทรงประธทามความภาคความเพียรมาตลอดความเป็นเดรัจฉานรักษาสินห้าตลอดมาเป็นมนุษย์อีกสิบชาติพระองค์ก็ตองต่อสู้กับสภาวะของกิเลสเครื่องกระทบทั้งหลายทั้งปวงที่โจมตีก็ามาพระองค์ท่านแต่พระองค์ไม่ได้สนใจพระองค์มีขันติบารมีมี วิริยะบารมีมีปัญญาบารมีมีทานบารมีมีศีลบารมีมีเมตตาบารมีนั่นพระองค์มีอยู่ทั้งหมดพระองค์จึงเอาสิ่งเหล่านั้นมาเป็นกำลังใจแรงบันดาลใจให้พระองค์พ้นจากสภาวะแห่งความเครื่องผูกรันบ้างเครื่องเกี่ยวรั้งบ้างเครื่องขีดฝางทั้งหลายทั้งปวงบ้างโดยอาศัยอํานาจแห่งความใจเด็ดเดียว เหมือนสหาญาติโยมทั้งหลายทุกท่านที่มานั่งอยู่เรขณะนี้จิตนั้นเป็นหนึ่งกายนั้นเป็นหนึ่งเมื่อจิตมันเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งจิตสะอาดกายสะอาดจิตสะอาดกายสะอาดพร้อมที่จะรองรับอัตธรรมทั้งหลายทั้งปวงเหมือนพระศาสดาพระองค์ทรงบำเพ็ญความภาคความเพียรเพื่อต้องการให้พระองค์นั้นได้เป็นผู้บรรลุมรรคผลนิพพานพระองค์จึงได้เสียสละ หนีออกจากความเป็นสมบัติมาตรฐานที่มันเป็นเครื่องเกี่ยวลังเป็นเครื่องผูกลัดมาช้านานไม่ใช่พระองค์ไม่รู้พระองค์ก็เคยเป็นพระมาหากษัตริย์มาก่อนในอดีตไม่เคยทำให้พระองค์มีความสุขเลยต้องลงโทษคนต้องประหารชีวิตคนต้องทำโทษคนนะต้องตัดสินความด้วยความโมโหโซโศฉุนเฉียวตลอดเวลานั่น เพราะความเด็ดขาดที่พระองค์มีอยู่พระองค์จึงเบื่อสิ่งเหล่านั้นจะอีกกี่พบกี่ชาติที่ต้องไปชดใช้นี่สร้างนี้สร้างเวรสร้างกรรมเพียงแค่ชาติเดียวแต่ต้องไปใช้นี่ใช้ศีลนันะ่ลับเวลบ ร, รลับกรรมลับทุกขทรมานอีกเป็นร้อยร้พันพันหมื่นหม่นชาติมันคุ้มกันไหมมันไม่คุ้มกันเพราะฉะนั้นเราและท่านทั้งหลายทุกท่านทุกคนจึงได้พยายามมาทานศีลห้ากันไว้ เพื่อให้จิตของเรานั้นบริสุทธิ์เมื่อจิตมันบริสุทธิ์มันก็จะรอพร้อมรับธรรมที่บริสุทธิ์องค์ตสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนีออกบวชเมื่ออายุได้19ปีแล้วอยู่ในป่าในเขาอยู่กับความทุกข์ความยากความลําบากไม่มีใครดูแลไม่มีใครเอาใจใส่ที่จะมาอุปถากแต่พระองค์ก็อยู่อย่างมีความสุขจิตใจก็สบายร่างกายถึงแม้ว่าจะไม่มีอาหาร บำลุงเหมือนอยู่ในเมืองแต่พระองค์มีจิตใจที่ประเสริฐเลือดล้ำนะเมื่อใจมันอิ่มกายมันก็พอยอิ่มไปด้วยเมื่อใจมันนิ่งกายมันก็นิ่งไปด้วยพระองค์จึงอาศัยอำนาจแห่งเวลาทั้งหมดด้วยกันหกปีเต็มๆพิจารณาทำลองถูกลองผิดการอดอาหารบ้างอดน้ำอดข้าวบ้างาอะไรต่างๆบ้างพระองค์ก็ทรงทากายขององค์นั้นเหมือนชาวอินเดียที่ทากัน เพราะฉะนั้นการที่ทําเหล่านั้นเป็นไปไม่ได้เลยที่จะสามารถบรรลุธรรมเลี้ยวแรงไม่มีร่างกายไม่มีเลี้ยวแรงจะไปเอาสติที่ไหนไปเอาสมาธิที่ไหนปัญญาที่ไหนมาพิจารณาธรรมพระองค์จึงหันกลับมาฉันอาหารของนางสุจาดาเมื่อฉันอาหารของนางสุดจาดาศตุก้าวศตุผงที่ควรมาด้วยความปราณีตแล้วเมื่อฉันแล้วมีเลี้ยวมีแรง พระองค์จึงได้ทำสมาธิภาวนาทำกายของพระองค์ให้ใจบริสุทธิ์ทำให้จิตบริสุทธิ์เมื่อพระองค์ซักก่อกายของพระองค์ให้ตั้งมั่นอยู่ในศีลที่พระองค์ทรงอธิษฐานเพศของพระองค์ให้เป็นบรนป ช, ชิตเป็นนักบวชหรือสมณะอยู่ในป่านั้นนั่นคือพระองค์ทรงทำกายขององค์ให้บริสุทธิ์ก่อนอื่นเหมือนที่สหา ญ, ญาติโยมทั้งหลายก่อนที่จะฟังธรรมก็พวกเราและท่านทั้งหลาย ต่างก็ตั้งจิตตั้งใจสมาทานสิน่านั่นทำให้กายบริสุทธิ์วาจาบริสุทธิ์ใจบริสุทธิ์พร้อมที่จะรองรับอัตธรรมพระศ า, าสดาก็ทงกาทากายแห่งพระองค์ให้บริสุทธิ์เช่นเดียวกันเมื่อทำกายให้บริสุทธิ์นาให้ผุดพองแล้วเมื่อกายบริสุทธิ์จิตบริสุทธิ์สะอาดหมดจดแล้วปราศจากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงพระองค์ก็เอาจิตที่พอมีสติมีกาลังอยู่นั้น เอาทำทั้งหลายทั้งปวงมาพิจารณามองไปรอบรอบกายมองไปจากทั้งกายที่เคยสัมผัสทั้งจิตที่เคยได้ยินมาทั้งในอดีตสู่ปัจจุบันในรอบกายก็มีต้นไม้สิงสาลาสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงใบไม้เขียวใบไม้แห้งใบไม้อ่อนต่างก็ล่วงลงมาตามกระแสแห่งลมพัดบ้างอะไรต่างๆบ้า ง, า ง, างพระองค์มองพิจารณาดูความเป็นธรรมชาติความทำเป็นธรรมะ ธรรมะทั้งหลายทั้งปวงก็อยู่รอบกายทั้งหมดอยู่กับจิตของเราทั้งหมดในตัวของเราก็ตามมันก็มีธรรมะของมันความเกิดความแก่ความเจ็บความตายมันก็คือธรรมะธรรมะก็คืออยู่ในรอบกายของเราเห็นรถวิ่งก็ธรรมะเห็นรถตายก็ธรรมะเห็นรถชนกันก็ธรรมะเห็นคนด่ากันทะเลาะกันดีกันรากอดกันแล้วก็ทักทายปาใสาจับมือถือแขนกัน โวยจิตที่เต็มเปี่ยมไปด้วยความาสดชื่นเบิกบานนั่นก็คือธรรมะเพราะฉะนั้นคนทะเลาะกันคนดีกันใบไม้ปลูกงามสะบัดลูกผลดอกงอหอมอะไรต่างๆก็คือธรรมะทั้งมนุษย์คนแล้วคนเล่าต้นไม้ต้นแล้วต้นเล่านกบ้างตัดเดชานบ้างที่มันไปกันตามตาภาพของมันต่างก็บินกันไปบินกันมานกก็ เดินทางกันไปเดินทางกันมามดปลวกทั้งหลายก็ตรงตัวก็ทำหน้าที่ของแต่ละคนนั่นก็คือธรรมะธรรมะก็คือธรรมชาติไม่ใช่เราทำงานอย่างเดียวนกก็ทำงานของเขานะสัตว์เดรัจฉานอื่นๆก็ทำงานของเขานะมดปลวกก็ทำงานของเขาเขาก็ทำงานหน้าที่ของเขาเขาก็ทำกันไปนั่น เมื่อกี้เดินผ่านมามีพึ่งลังใหญ่อยู่ข้างทางนั้นเขาก็ทำงานบางตัวก็บินออกไปบางตัวก็บินกลับก็ามานั่นเขาก็ทำงานเขาอยู่ร่วมกันมันเป็นหมื่นๆเป็นหลายๆพันตัวเขาก็อยู่ด้วยกันได้เพราะเขามีความสามัคคีกันเขาไม่ต้องไปนั่งชกต่อยกันอิจฉาดุริยากันเขาก็ไม่มีเขาอยู่ยังมีความสุขนั่นสัตว์เดชานเขาก็มีหน้าที่ของเขา เราก็มีหน้าที่ของเรานักปราบบัณฑิตทั้งหลายทั้งปวงนาะที่ใช้เวลาที่มีค่านาะแล้วก็เอาเวลาที่มีค่ามาแสวงหาของที่มีค่าเหมือนศรัทธาญาติโยมทั้งหลายนั่นเป็นสิทธิของเราจะไปพักบ่อนที่ไหนก็ได้จะไปเล่นอะไรต่างๆที่ไหนก็ได้แต่เราไม่ไปเราพากายพาใจของเรามา นั่งฟังเทศฟังธรรมเจริญสมาธิภาวนาทําจิตใจของเราให้สงบเป็นสมาธิกับการฟังเป็นสมาธิกับการบริกรรมนั่นเมื่อมีสมาธิจิตก็สงบเมื่อจิตสงบใจสบายจิตเป็นหนึ่งกายเป็นหนึ่งพระศาสดาก็ทําจิตทําใจของพระองค์นั้นให้เป็นหนึ่งให้สบายเพอาะอัดทำทั้งหลายทั้งปวงที่พิจารณาลงไปแล้วรวนแล้วแต่เป็นธรรมชาติไม่หนีไม่สู้กับมัน ไม่หลบไม่ซ่อนมันมันอะไรมันเกิดขึ้นก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นนะมันแก่ก็รู้มันแก่มันเจ็บก็รู้มันเจ็บมันตายก็รู้มันตายนั่นเราและท่านทั้งหลายจึงได้ให้เราพิจารณาลงไปสติประฐานทั้งตีสติแปลว่าเรามีกันทุกๆคนอยู่แล้วสติประธานทั้งตีฐานของสติที่จะนำไปสู่ให้ความเห็นตามตภาวะแห่งความเป็นจริงพิารณากายกายานุปัสนา เวทนานุปัสสนาจิตานุปัสสนาธรร ม, มานุปัสสนานั่นเมื่อเอาจิเข้าเบพิจนากายจนเกิดความรู้เกิดความเข้าใจขึ้นรู้อะไรล่ะก็ะรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่า น, นี้เป็นของไม่เที่ยงรู้อะไรว่ารู้สังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เป็นทุกข์แล้วรู้อะไรล่ะรู้ลงไปอีกว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้เมื่อถึงที่สุดมันก็แตกจะลายลง ตัวเราตัวใครองเป็นเหมือนกันทั้งหมดตึกลามบ้านช่องทั้งของใจไมยเจของใจเครื่องปูโป้ปริปรโภค ก, ก็เป็นเหมือนกันทั้งหมดนี่คือความเป็นธรรมชาติ ภาษาตาดาจึงตัดว่าสติปัฏฐานตีเอาจิตของเรานั้นเมื่อมันนั่งสงบแล้วเราก็พิจารณาธรรมกายานุปัสนาพิจารณาไปพิจารณามาพิจารณาไปพิจารณามาจนเห็นความเกิดเป็นความรู้ขึ้นรู้อะไรละ่ะรู้ว่าสังขารทั้งหลายทั้งปวงตั้งแต่สีตะลงไปจดปลายเ้าล้วนแล้วแต่เป็นอนิจจทุกขังอนัตตา นี่เรียกว่าทำให้เกิดปัญญาขึ้นเราไม่หนีเราไม่กลัวไม่หนีต่อความแก่ไม่หนีต่อความเจ็บไม่กลัวต่อความตายเมื่อจิตของเราไม่หนีไม่แก่ไม่กลัวไม่ไม่กลัวเจ็บกลัวตายจิตมันก็เป็นสุขจิตมันก็ไม่กังวลจิตก็ไม่เบิ่มทุกข์เพราะความกลัวแก่กลัวเจ็บกลัวตาย นันจึงเกิดความรู้ขึ้นเพราะมันเข้าใจสภาวะแห่งความเป็นธรรมชาติความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรียกว่าการพิจารณากายก็ทำให้เราเกิดปัญญาสติปัฏฐานทั้งสี่นั่นเอาสติเข้าไปพิจรารณาดูมันก็เกิดความรู้ขึ้นความรู้ความเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตานี่เรื่องของกายกายานุปัสสนาพิจรารณากายก็ทาให้เกิดมีปัญญาขึ้นเวทนานุปัสสนาล่ะเวทนานุปัสสนาเวทนาสุข สุขเวทนาทุกเวทนาอุเปขาวเวทนาก็ให้เราพิจารณาดูเวทนามันเที่ยงที่ไหนเช้ามันมีอเวทนาอย่างหนึ่งอารมณ์ดีสองพอมันพอสายสายก็มาหน่อยพอเจอปัญหากันมาอารมณ์ไม่ดีขึ้นนั่นสุขมันก็ไม่เที่ยงทุกมันก็ไม่เที่ยงนะสุขก็ไม่เที่ยงทุ ก, ก็ไม่เที่ยง อารมณ์ที่มันเกิดขึ้นกับจิตที่มันนิ่งเฉยไม่รับรู้ไม่รับอะไรใครจะมาพูดอะไรก็นิ่งเฉยใครมาว่าอะไรก็นิ่งเฉยเรียกว่าเป็นอุเปกขาวเวทนาพอพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปพิจารณาลงไปพวกเราก็จะเกิดความรู้ขึ้นเวทนาสุขก็ตามสุขเวทนาก็ตามทุกเวทนาก็ตามเปกขาวเวทนาก็ตามล้วนแล้วจะพิจารณาลงไปมันก็ไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป นั่นเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาเช่นเดียวกันนั่นเวทนาพิจารณาไปพิจณามาก็เกิดปัญญาขึ้นนั่นกายเวทนาก็พิจารณาทำให้เราเกิดปัญญารู้แจ้งเข้าใจในสภาวะแห่งความเป็นธรรมชาตินั่นธรรมะมันก็เกิดขึ้นกับเราแล้วเราก็ต้องไปกลัวอะไรทุกคนปรารถนาอยากให้มีความสุขตลอดอยากให้คนเขาชมตลอดในโลกนี้ไม่มีหรอกมันก็มีสลับกันไปเป็นอย่างนี้ เพราะอารมณ์ของคนใครจะมาชมเราตลอดไอ้คนที่นินทาเราก็มีเพราะฉะนั้นเขาจะนินทาเขาจะชมสรรเสริญเราแต่ใจของเรานั้นเป็นสิ่งที่สําคัญใจของเรามีธรรมะเมื่อใจของเรามีธรรมะใจของเราก็ตั้งมั่นว่าอารมณ์ตั้งหลายตั้งปวงที่เราพิจารณาอยู่เวทนาเป็นของไม่เที่ยง สุขเป็นของไม่เที่ยงทุกข์เป็นของไม่เที่ยงอุเปกขาเป็นของไม่เที่ยงทำจิตใจของเราให้เป็นหนึ่งนิ่งสงบอยู่อะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรมันจะหวั่นไหวก็ปล่อยให้มันหวั่นไหวอะไรจะเสื่อมโทรมก็ปล่อยให้มันเสื่อมโทมไปใจของเราไม่ได้เสื่อมไปด้วยนี่เกิดความรู้ขึ้นเรียกว่างาเวทนานุปัสนาถ้าไม่เกิดความรู้ขึ้นนะจิตตานุปัสนาล่ะ จิตที่เรามันเป็นกุศลและเป็นอกุศลจิตที่มันแล่นไปนูน่นแล่นมานี่แล่นไปนูน่นมันแน่นอนที่ไหนมันไม่แน่นอนเลยจิตบางทีมันก็ดีบางทีมันก็ไม่ดีบางทีมันก็ยิ้มแย้มแจ่มใสบางทีมันก็ทุกข์นั่นมันเรื่องอะไรทําไมจึงเป็นทุกข์ก็พระศาสดาตรัสไว้ว่าจิตานุปัสนา จิตมันเป็นของมันอย่างนั้นอาการของจิตมันเป็นอย่างนั้นมันไม่ใช่ได้ว่าเป็นหน้าที่ของมันจะต้องรวมตลอดมันต้องสุขตลอดเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนให้ชีวิตของเรานั้นอยู่กับสิ่งเหล่านี้แล้วก็เข้าใจกับสิ่งเหล่านี้มันมีของมันอยู่อย่างนั้นพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์แต่ละพระองค์ก็สอนแบบเดียวกันหมดกายเวทนาจิตธรรมนั่นธรรมะทั้งหลายทั้งปวงที่เราประพฤติปฏิบัติกันอยู่นั้น บางวันก็รู้สึกนั่งภาวนาสบายบางวันก็รู้สึกนั่งภาวนาแล้วงุดหงิดบางวันก็นั่งภาวนาแล้วเฉยเฉยถามว่าสิ่งเหล่านั้นเป็นของแปลกหรือไม่ได้แปลกข้าวเรากินทุกวันเราเคยอร่อยทุกวันหรือเปล่าถ้าวันไหนใจมันดีใจมันสบายแม่กรัวก็คนเดิมนั่นแหละแม่บ้านคนเดิมนั่นแหละแกงต้มแกงเลียงก็อันเดิมนั่นแหละที่แกงกันอยู่นั้นเราก็ใจมันสบายกินข้าวรู้สึกว่ามีรสชาติ ฟังนู่นฟังนี้ก็รู้สึกว่าเพลิดเพลินนั่นใจมันสบายแต่ถ้าเบื่อใจมันไม่สบายนะกินข้าวก็แม่กลัวคนเดิมแต่วันนี้ทําไมมันไม่อร่อยดูหนังดูละครดูมก็ไม่มีความสุขไม่มีความเพลิดเพลินมันโทษละครหรือไม่ใช่มันโทษอาหารหรือก็ไม่ใช่นะเป็นคนละครเล่นไม่ดีก็ไม่ใช่แต่ต้องกลับมาดูใจของเราใจของเราวันนี้มีปัญหาแก้ไขปัญหาไม่ได้ ใจมันกำลังเป็นทุกข์อยู่เมื่ออะไรใจมันกำลังเป็นทุกข์จะเอาหนังสนุกกขนาดไหนมันก็ไม่สนุกอาหารอร่อยขนาดไหนมันก็ไม่อร่อยก็นี่แหละจึงได้เรียกว่าธรรมานุปัสสนาพิจารณาธรรมดูแล้วมันก็เป็นธรรมชาติของมันถ้าจิตของเรานั้นเป็นลูกหลานตถาคตเป็นทายาทแห่งองค์ตสมเด็จพระสรัมมาสัมพุทธเจ้าจงน้อมเอาธรรมเหล่านั้นมาสู่ใจแล้วก็พิจารณาลงไปว่าทุกสิ่งทุกอย่าง เป็นอนิจจ응ังทั behind, collective collective ้งหมดมองเห็นก็ตามได้ยินก็ตามได้กลิ่นก็ตามทั้งมือทั้งแขนเดินไปเดินมาก็ตามล้วนแล้วแต่เป็นธรรมชาติทั้งหมดแล้วเราจะไปเอาอะไรแน่นอนกับมันเพราะมันเป็นอย่างนั้นมันเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นแต่จิตมันไม่เปลี่ยนจิตมันก็ให้นิ่งสงบอยู่กับความเป็นสมาธิอะไรมันจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดไปแต่จิตเราไม่รับรู้เดี๋ยวมันก็หายไปเพราะจิตเราไม่พลาดจากความเป็นสมาธิ อยู่กับพุโทโธพุธโทโธพุธโทโธพุธโทโธนั่นจิตมันก็สงบนี่เรียกว่าการมีสติเข้าไปพิจารณากายเวทนาจิตธรมทําให้เกิดเป็นความรู้เข้าใจในสภาวะแห่งสังขารทั้งหลายทั้งปวงที่มันเกิดขึ้นกับเราทุกท่านทุกคนมันมีอารมณ์เหมือนกันทั้งหมดแต่อารมณ์ก็อารมณ์แท้ๆนะโยม มันไม่ใช่ของแน่นอนเดี๋ยวมันก็มาเดี๋ยวมันก็ไปเหมือนลมที่พัดมาบางกีก็มาพัดทางจิตนี้บ้างจิตนู้นบ้างทำให้ไบไม้หวั่นไหวไปแล้วเดี๋ยวมันก็หายไปไอ้ลมต่อใหม่ก็จะตามหลังมาอีกจะแรงหรือค่อยกว่ากันมันก็อยู่ได้เหตุแห่งกระแสของลมเหล่านั้นเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนให้เราพิจารณากันให้ดี ประพฤติกันให้ดีปฏิบัติกันให้ดีทำอย่างนี้แหละพระศ า, าสดาก็ทำอย่างนี้พระรหันต์ขีณาสพก็ทำอย่างนี้สมัยหลวงปูเ่เสาหลวงปอมั่นพ่อแม่กูบาอาจารย์หลวงปู่แหวนหลวงปู่ฟ้น่นท่านก็สอนอย่างนี้ทำอาการอย่างเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นจะเป็นอะไรก็ตามก็เป็นอาการอย่างเดียวกัน จะหุงข้าวต้มแกงแบบไหนมันก็ทำอาการแบบเดียวกันมันไม่ได้มีวิเศษกว่ากันตรงนั้นแต่ว่าความปราณีตไม่ความปราณีตอยู่ที่คนปรุงแต่งอาหารอร่อยไม่จำเป็นว่าต้องใส่ภาชนะที่สวยๆอาหารอร่อยนั้นอยู่ที่คนปรุงตั้งหากธรรมะของเราที่มันจะเกิดขึ้นจะสงบกับเรานั้นไม่ได้จำเป็นว่าเราต้องเป็นเจ้าฟ้ามาหากริย์เศรษฐีมหาเศรษฐี คนเราทุกชั้นทุกวันนะก็สามารถประพฤติปฏิบัติธรรมได้ทั้งหมดได้บรรลุธรรมได้ทั้งหมดดูนังดังที่สมัยพุทธกาลนะเราและท่านทั้งหลายทุกท่านการมาอยู่ร่วมกันทำงานร่วมกันสำคัญที่สุดใจต้องมีธรรมะใจต้องมีความเป็นกุศลต้องมีวิธีคิดให้ดีต้องมีความให้อภัยกันต้องมองโลกในแง่ดีไว้อย่ามองโลกี่แง่รายไว้ เราจะทำอะไรจะคิดอะไรต้องไม่ให้คนอื่นเดือดร้อนและตัวเราเองเดือดร้อนแม้กระทั่งบริษัท TOT ก็จะไม่เดือดร้อน ทำงานลงไปเต็มที่ที่หน้าที่เขาให้ไว้ทำงานให้เต็มส ต, ติเต็มปัญญาความสารูความรู้ความสามารถของเรานั่นแหละคนที่มีธรรมะเมื่อใจมีธรรมะจะไม่คดไม่โกงจะไม่กินแรงจะไม่ทำอะไรใครด้วยจิตใจหรือคำพูดจะถากจะถางจะเสียดรัศย์อะไรต่างๆสิ่งเหล่านั้นจะไม่มี เพราะใจมันมีธรรมะใจมีแต่ความเมตตาเมตตาเมตตาจิตกรุณากรุณาจิต ม, ตมตุติตามุติตาจิตอุเบกขาอุเบกขาจิตเจิตตั้งมั่นอยู่ในพรมวิหารคำพูดก็ดีหน้าตาก็ยิ้มแย้มแจ่มใสไปไหนมาไหนคนนุนตำหนิคนนี้ว่าก็ยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะให้อภัยเขาเพราะเขาใจกําลังไม่ดีเมื่อใจของเขากําลังไม่ดีเราจะไม่ดีไปตามเขาได้อย่างไรเพราะฉะนั้นเราก็นิ่งซะ เหมือนพระศาสด า, าทรงสแสดงธรรมให้กับพระเทวทัตตั้งกี่การกี่การพระเทวทัตไม่เคยประพฤติปฏิบัติตามไม่เชื่อด้วยแถมยังลบหลู่อีกตั้งหากแล้วคิดทำร้ายอีกตั้งหากแล้วพระเทวทัตได้อะไรจากพระพุทธเจ้าบ้างใช้เวลาเป็นนานเท่าไหร่อยู่กับพระพุทธเจ้าอยู่ใกล้กับพระพุทธเจ้ากุฏิก็ไม่ห่างจากการนักแต่จิตมันไม่เปิดรับใจไม่เปิดรับ ทำคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่แสดงเหมือนกันแต่คนอื่นที่นั่งอยู่นั้นโอปนญญิโกน้อมเอาธรรมเหล่านั้นมาสู่ใจเขาพอพระเจ้าแสดงธรรมจบลงเขาได้เป็นดวงตาเห็นธรรมเป็นโสดาบันสกิทาคานาคากันแต่พระเทวทัตไม่ได้อะไรเลยแถมยังพาพวกบริวารสร้างเวรสร้างกรรมอีกต่างหาก คนอื่นบรรลุทำไม้สำเร็จมรรคผลนิพพานไม่กลับมาเกิดอีกแล้วแต่พระเทวทัตแทนที่จะได้เกิดมาเป็นมนุษย์หรือก็เปล่ากลับไปลงนรกนั่นเพราะจิตมันไม่ดี เพราะฉะนั้นปัญหาทั้งหลายทั้งปวงเหล่านี้ถึงแม้เราจะพูดดีอบรมสั่งสอนกนันไหนเจ้าเราเป็นผู้บริหารถ้าใจเขาไม่รับเราก็พูดไปหูแตกเพรา ะ, ะนั้นพทธเจ้าจึงได้บอกว่าถ้าพูดแล้วเขาฟังก็พูดถ้าพูดแล้วก็ไม่ฟังก็วางอุเบกขาซอย่าไปโกรธอย่าไปเคืองอย่าไปอะไรต่างๆเขาเพราะสภาวะกิเลสของเขามีแค่นั้นเขาก็แสดงออกมาแค่นั้นเราอย่าไปเอาอย่างคนที่เป็นคนทุศีล เป็นคนที่เบียดเบียนคนอื่นเขาทางกายวาจาใจเราต้องทำเอาอย่างกับคนที่มีศีลมีอัดมีธรรมมีสัมมาคารวะมีจิตใจที่ประกอบด้วยความเมตตาธรรมนั่นความกะยันมันเพียนเราก็ดูเขาเขาทำอย่างไรเขาถึงเจริญเขาทำยังไงเขาจึงได้ชื่อว่าเป็นคนเก่งเราก็ดูเขาตามีดูปากมีถามได้เพราะฉะนั้นเราก็จะได้สัมผัสกับประโยชน์ที่เราต้องการ นี่แหละพระาศาสดาจึงได้ทํากายของพระองค์ให้บริสุทธิ์เมื่อทํากายของพระองค์บริสุทธิ์พระองค์ก็พิจารณาธรรมเมื่อธรรมบังเกิดขึ้นกับใจแห่งพระองค์ท่านคืออริยสัจ ส, สีทุกสุโมไทยนิโรธมรรคมันก็เป็นธรรมที่มาจากความบริสุทธิ์เข้าใจมันนะนิโรธมันก็มีของมันอย่างนั้นนะมรรคก็ปฏิบัติของเขาก็มีของเขาอย่างนั้นนะเหตุทําให้ทุกเกิดเขาก็มีของเขาอย่างนั้นมันเป็นธรรมชาติ เราห้ามเขาไม่ได้นะสมุทยัยนยะทุกนะเหตุเกิดทุกขนิโรธแปลว่าข้อปฏิบัตินะเห็นแจ้งแล้วก็มรรคข้อปฏิบัติถึงความดับทุกเพราะฉะนั้นทุกทั้งหลายทั้งปวงมันมีของมันอยู่ มันมีอยู่ทั้งตัวเราทั้งหมดตั้งแต่เส้นผมลงไปสู่ปลายเท้าแล้วดูว่ามันจะเกิดจากอะไรทั้งนั้นจิตของเรากายของเราจะไปสัมผัสกับอะไรบางทีไม่ได้สัมผัสของแข็งแต่จิตคิดไปนึกไปเจออารมณ์ไปบางทีก็โกรธึ้นมาก็มีเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนธรรมะถ้ามันอยู่ในหัวใจของเราเราจะข้ามสิ่งเหล่านี้ไปได้เราจะไม่เป็นทาสของมันอย่างเด็ดขาด เพราะเรามีธรรมะในหัวใจธรรมะเหล่านั้นก็คือเข้าใจเข้าใจโดยเหตุและผลเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องไปมองคนอื่นภาวนาดูใจภาวนาให้มันถึงใจเมื่อภาวนาดูใจใจของเรามันขาดอะไรมันปราทนาอะไรเราก็ภาวนาลงไปภาวนาลงไปให้มันเห็นความสงบให้มันเห็นความนิ่งให้มันเห็นความอผอมใสและเบิกบานนั่น นัตติสันติปรังสุขขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเพราะฉะนั้นใครก็ตามถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติทำได้ระจุวประพฤติดีทําจิตให้เบิกบานจำใจได้คนเหล่านั้นก็จะได้รับประโยชน์นํามาซึ่งความสุขนั่นธรรมะจาริงสุ ข, ขังเสติผู้ประพฤติธรรมย่อมอยู่เป็นสุขนั่นเมื่อกายของเราสะอาดบริสุทธิ์ เมื่อพระาศาสดาทำจิตบริสุทธิ์ธรรมะออกมาก็บริสุทธิ์เมื่อธรรมะบริสุทธิ์แล้วจิตบรบริสุทธิ์แล้วพระองค์เอากายที่บริสุทธิ์ธรรมะบริสุทธิ์เหล่านั้นมาแสดงให้กับพวกเราทั้งหลายได้ยินได้ฟังธรรมเราตั้งใจฟังธรรมด้วยความบริสุทธิ์เมื่อธรรมะบริสุทธิ์เข้าไปสู่หัวใจของเราใจของเราก็จะเป็นใจที่บริสุทธิ์นั่นเพราะทุกสิ่งทุกอย่าง ถ้าน้ำบริสุทธิ์แล้วจะเอาไปทำอะไรก็ได้ทั้งหมดจะไปใส่ภาชนะอะไรก็ได้ทั้งหมดมันก็เป็นน้ำที่บริสุทธิ์ผ่านการกันกรองมาแล้วเพราะฉะนั้นพระศ า, าสดาจึงคอยอบรมสั่งสอนพวกเรามาตลอดจนถึงได้45พันศาได้แสดงธรรมถึง 84,000 กันแต่เมื่อย่นย่อลงไปแล้วทำใน 84,000 กันนั้นก็เปรียบเสมือนดังเครื่องกรองน้ำ 84,000 เครื่อง เมื่อได้เอาไปน้ำไกลๆใครจะเอาไปเอาไปเอาเครื่องกรองน้ำเหล่านี้ไปกรองน้ำกรองที่ไหนที่ไหนก็ได้น้ำบริสุทธิ์ทั้งหมดเพราะออกมาจากบริษัทเดียวกันสเปคเดียวกันนาะเมื่อกองน้ำมาก็กรองน้ำออกมาด้วยความบริสุทธิ์ ทมทั้งหลายทั้งปวงที่เราได้ยินได้ฟังจากพ่อแม่ครูบาอจารย์แต่ละองค์แต่ละองค์แต่ละองค์งงนั้น <c oughs> ก็เปรียบเสมือนดังข้าวที่หุงมาจากหม้ออะไรก็ตาม <c oughs> เมื่อข้าวมันสุกกินอิ่มเหมือนกันทั้งหมดธรรมะของพ่อแม่ครูบาอจารย์หรืออาหารที่เราไปเดินอยู่ตาม <c oughs> ทานอาหารแบบบุฟเฟ่นั้นอาหารห ล, ลากหลายกันไปปรุงมาด้วยวัตวัตถุที่ แตกต่างกันไปเรียกว่าอาหารสีสันก็แตกต่างกันไปกลิ่นก็แตกต่างกันไปรสชาติก็แตกต่างกันไปไม่รู้จะกี่อย่างกี่อย่างกี่อย่างกันแต่เมื่อกินแล้วมันก็จะเหมือนกันทั้งหมดไม่ว่าอาหารปลาเนีดขนาดไหนแต่พอกินแล้วมันก็มีความอิ่มเท่ากันธรรมะคำขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เช่นเดียวกันเพราะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนตั้งจิตตั้งใจกันให้ดี ประพฤติกันให้ดีปฏิบัติกันให้ดีทำที่พระองค์นั้มาแสดงนั้นเป็นธรรมบริสุทธิ์เมื่อเราตั้งใจประพฤติปฏิบัติด้วยความบริสุทธิ์เราก็จะบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเหมือนดุงสุภาษิต ท, ที่เอตมาได้ยกขึ้นไว้เป็นนิเขประบทเบื้องต้นว่าธรรมะจะอาสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโพกสัมปทาสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยศีนนั้นทําให้ชีวิตเรามีความสุข ความสุขของเราจะเกิดได้ก็เพราะอำนาจแห่งศีลศีลบริสุทธิ์ความสุขก็บริสุทธิ์นะั่นศีเลนะสุขติิงยันติศีล น, นำสุขมาให้สีเลนะโพกสัมปทาศีล น, นาโพกสัพย์มาให้ทั้งภายในและภายนอกเมื่อจิตของเราดีมีศีลดีโพกระพักทั้งหลายทั้งปวงที่ได้มาเหล่านั้นเป็นภายในก็ตามเป็นภายนอกก็ตามก็ได้มาโดยจิตที่บริสุทธิ์ นั่นสีเลนะนิปุติงยันติตัสมาสีลังวิโสทเยนั่นศีลดำถึงแม้มีชีวิตอยู่ก็มีความสุขเมื่อแต่กายทําลายขันไปแล้วสู่ปรโลกเบื้องหน้าจิตดวงนั้นก็จะได้เป็นจิตที่บริสุทธิ์จะเอาไปอยู่ในที่ใดก็ตามก็ย่อมจะมีแต่ความบริสุทธิ์เช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นเราทุกท่านเราทุกคนจิตของเราที่บริสุทธิ์ จิตของเราที่พ้นแล้วจะจับเราไปอยู่ในะที่ใดที่ใดที่ใดจิตของเราก็ไม่สามารถจะกลับมาสกปรกได้อีกเหมือนร่างกายของเราที่เปรียบเหมือนน้ําที่สกปรกผ่านเกลื่อนกองที่บริสุทธิ์แล้วจะเอาไปเก็บไว้นานเท่าไหร่เท่าไหร่น้ําเหล่านั้นก็เป็นน้ําที่บริสุทธิ์จะดื่มกินก็ได้จะไปล้างภาชนะก็ที่สกปรกก็สะอาดได้ใจของเราเมื่อใจของเรามีธรรมะ เหมือนใจของพ่อแม่ครูบาจารย์มีธรรมะใจของพ่อแม่ครูบาจารย์ประพฤติปฏิบัติตามธรรมของหลวงปู่เสาหลวงปู่มั่นและพ่อแม่ครูบาจารย์อื่นๆทำเหล่านั้นก็เลยทําให้จิตของพ่อแม่ครูบาจารย์หลวงปู่หลวงตานั้นเป็นจิตที่บริสุทธิ์เมื่อจิตบริสุทธิ์เมื่อมาแสดงธรรมหรืออะไรต่างๆให้กับพวกเราฟังทำเหล่านั้นก็บริสุทธิ์เมื่อเราประพฤติปฏิบัติตามเราก็จะมีจิตที่บริสุทธิ์เช่นเดียวกันอาจจะไม่ใช่วันนี้อาจจะไม่ใช่ปีนี้ อาจจะเป็นปีต่อไปแต่ขอให้เราและท่านทั้งหลายอย่าพึ่งท้อแท้ใจเพราะฉะนั้นต้นไม้ทั้งหลายทั้งปวงกว่าจะได้ประโยชน์เช่นมะพร้าวปลูกห้าปีมันจึงจะได้ออกดอกออกผลตอนอ้นยางปลูกถึงเจดปีมันจึงจะสามารถกีดได้นะมะม่วงมะพร้าวหรือทุเรียนเงาะมันก็ต้องปลูกถึงหลายหลายปีมันจึงจะได้ผลแต่โยมอย่าลืมนะ เมื่อเราดูแลไปดูแลไปมันจเจริญเติบโตขึ้นมาพอมันออกผลขึ้นมาเมื่อไหร่เราเก็บผลกินไปตลอดทั้งชาติการทําสมาธิก็เช่นเดียวกันถ้าเราทําแล้วจิตใจไม่สงบก็ทําต่อไปเรื่อยๆทําต่อไปเรื่อยๆพอทําพอจิตมันสงบจิตมันรวมเต็มที่แล้วจิตมันเป็นสมาธิลีแล้ว น, นั่งตัวไหนก็เป็นสมาธิได้นั่งตรงไหนก็เป็นสมาธิได้ไม่จําเป็นจะต้องไปบริกรรมตลอด เพราะความบริกรรมมันผ่านไปแล้วตอนนี้เรากำหนดจิตให้นิ่งมันนิ่งทันทีกำหนดจิตให้เป็นสมาธิเป็นสมาธิทันทีถึงแม้ว่าจะอยู่ในชุมชนเรากำหนดจิตของเรานิ่งปิดทั้งหมดปิดหูปิดตาทั้งหมดจิตมันก็สามารถสงบได้ไม่จำเป็นต้องบริกรรมแต่ถ้าเราใหม่ๆเราฝึกใหม่ๆเราจำเป็นต้องบริกรรมต้องอาศัยสัญญาต้องอาศัยเครื่องสมมติก่อน เมื่อเรามีสมมุติอยู่แล้วก็ใช้ความสมมุติเหล่านั้นไปตานุตํานั้นไปพอทําถึงที่ปั๊บมันจะปล่อยวางของมันเองเมื่อเหมือนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่แรกก็ต้องเอาพุทธโธพุทธโธไปก่อนพระพุทธเจ้าก็ต้องมีจะเิญอ น, อนาปาไปก่อนเช่นเดียวกันแต่พอมันถึงที่สุดแล้วอนาปาก็ไม่ต้องใช้อะไรก็ไม่ต้องใช้เพราะมันมีความชนานาญแล้วที่แรกเราเรียนหนังสือเราดูหนังสือทําบ้าน ทำแบบบ้านมาก่อนแล้วก็ดูไปตามแบบตามแบบตามแบบแต่พอทำํำนานขึ้นมาปับ๊บแบบเราก็ไม่ต้องดูแปร์เราก็ไม่ต้องดูมันสามารถอยู่ในสมองเราก็ทำงานได้เลยทำงานได้เลยไม่เสียเวลาแล้วก็ถูกต้องด้วยเพราะมีความจำนานขึ้น ชันใดก็ตามธรรมะที่เราและท่านทั้งหลายประพฤติปฏิบัติอยู่นั้นญาติโยมอย่าพึ่งถอแทะทำไปเถอะทาไปเถอะอาตมาเห็นแล้วดีใจเห็นแล้วภูมิใจนี่แหละทายาทที่แท้จริงขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าศาสนานั้นยืนหยัดถาวรได้ไม่ใช่มีพระสงฆ์อย่างเดียวสามเณรหรือแม่ชีอย่างเดียวเราและท่านทั้งหลายบนบริษัททั้งสเราก็เป็นหนึ่งในบริษัททั้งสี่เหล่านั้นช่วยเจริญพุทธศาสนาศาสนา หนาก็ยืนหยัดอยู่ได้ไปถึงลูกถึงหลานเราชีวิตของเราที่เราจะโลมอยู่นั้นประพฤติปฏิบัติไปก็มีคุณค่าขึ้นเมื่อมีคุณค่าขึ้นมันก็ตกไปถึงลูกถึงหลานของเราให้มีคุณค่าขึ้นอยู่นาที่ใดมันก็สะอาดไม่กวาดนั้นถ้าอยู่เฉยๆเราไม่ไปกวาดแล้วสถานที่มันจะสะอาดได้อย่างไรบ้านช่องห้องงับเราสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้วกวาดครั้งเดียวเช็ดครั้งเดียวถูครั้งเดียวมันจะสะอาดไปตลอดชีวิต ของเราจก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นกว่าตอนไหนมันก็สาดตอนนั้นเช็ดตอนไหนมันก็สาดตอนนั้นจิตใจของเราทำความเพียรตอนไหนมันจิตมันสงบมันก็มีความสุขตอนนั้นถ้าเราไม่ได้ทำนานเข้านานเข้ามันก็จะถูกกิเลสนั้นกินกินลงไปความเกียจขานมันจะมาแทนที่ทำไมแล้วูทามาตั้งมากมายไม่เห็นมันได้อะไรเราจะเอาอะไรกัน菩萨ตาดาทิ้งสมบัติทั้งหมด นาะทิ้งเครื่องต้นเครื่องทรงทั้งหมดยศถาบรรดาศักดิ์ทั้งหมดพระองค์ไปอยู่ในป่ามีอะไรไม่มีอะไรแต่พระองค์มีดีกว่านั้นดีตรงไหนพระองค์มีจิตที่ประเสริฐเลิ่ล้ำมีธรรมที่ประเสริฐเลิ่นล้ำจึงได้มาถึงปัจจุบันนั้นนั่นเพราะถ้าพระองค์ไม่ละล่ะ ถ้าพระองค์ไม่ละติดยืนสมบัติน่นมันจะได้หรือมันไม่ได้เราและท่านทั้งหลายถ้าไม่มุ่งนั่นกันมาไปนั่งพักผ่อนกินข้าวแล้วไปนั่งพักผ่อนเล่นนู่นเล่นนี่กันอะไรต่างๆคุยแปะกันนั่นเราถูกการเวลากลางวันกลางคืนกืนเราไปลงไปทุกวันทุกวันทุกวันมัดอยู่ลาชคอยเราอยู่ต้อนรับเราอยู่โดยเราไม่ได้อะไรเลยแม้แต่นิดเดียวแต่นี่เราใช้โอกาสที่มีอยู่ชั่วโมงหนึ่งก็ยังดีห้านาทีก็ยังดี พ่อแม่กูบาจารย์บอกว่าถ้านั่งสมาธิถ้าจิตมันสงบเพียงแค่ช้างกระดิกหูงูแลบดินมันก็เป็นบุญอันมหาศาลแล้วเรานี่เพียงแค่ช้างกระดิกหูเหรอเรานั่งเป็นชั่วโมงฟังเป็นชั่วโมงเราไม่ได้แล้วใครจะได้ แล้วเราไม่รู้แล้วใครจะรู้เทวดามารู้กับเราที่ไหนเราเป็นคนทำเราก็เป็นคนได้ข้าวเราเป็นคนกินอิ่มคนเป็นคนกินเราก็เป็นคนอิ่มกินน้อยอิ่มน้อยกินมากอิ่มมากนี่แหละคือความเป็นสัจธรรมละนี่แหละคือเป็นผู้ฉลาดละนักปราชญ์ละแสวงหาอะไรก็ตามที่มันมีคุณค่าเอามาใส่ในตัวลงต้นเราแล้วเราก็จะเกิดคุณค่าขึ้นมาเพราะฉะนั้นภาชนะมันสกรปรก แต่เราก็ชำระล้างด้วยน้ำที่สะอาดบริสุทธิ์พร้อมน้งยาล้างจาน ใจของเรามันสกปรกเราก็าพร้อมเอาทำอันบริสุทธิ์ของพระพุทธเจ้ามาชําระล้างในหัวใจของเราล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกล้างแล้วล้างอีกจิตมันก็บริสุทธิ์ตลอดบริสุทธิ์ตลอดเหมือนร่างกายของเรามันสกปรกที่ไหนมันสกปรกทรุกวันเราก็อาบน้ำมันทุกวันเสื้อผ้าใส่ทุกวันเราก็ซักมันทุกวันเสื้อผ้าจึงสะอาดอยู่ตลอดเวลาบ้านเราสกปรกทุกวันแต่เราก็เช็ดถูมันทุกวันต้นไม้ปลูกแล้วมันก็ต้นรดน้ําใส่ปุ๋ยพรนดินมันจึงจะออกดอก ออกผลชั้นใดก็ตามธรรมะก็เป็นฉชนนั้นศรัทธาญาโยมทั้งหลายเราอาตมาเห็นแล้วก็ปลื้มใจดีใจและอนุโมนากับพวกเราทุกคนเอาตอนนี้ไปอาตมาก็จะพาโยมนั่งให้เงียบๆนั่งสมาธิจะไม่พูดละสิ่งที่พูดมาแล้วหวังว่ายาโยมทั้งหลายคงเข้าใจใครมีปัญหาอะไรเดี๋ยวเสร็จเรียบร้อยเราค่อยถามค่อยตอบกันแต่ตอนนี้เรามาอาศัยความสงบความนิ่ง ตามที่เราและท่านทั้งหลายพ่อแม่ครูบาอาจารย์พาทำกันมาองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพาทำกันมาเอาความสงบทําจิตให้มันสงบเมื่อจิตมันสงบแล้วมันจะเกิดปัญญาของมันเองเอ้าตอนนี้ไปเราทุกท่านเราทุกคนตั้งจิตตั้งใจน่ะทําความเพียรกันโดยการนั่งสมาธิภาวนากันเท้าฝาทับเท้าซ้ายมือฝาทับมือซ้ายทํำกายให้ตรงทําจิตให้ว่างน่ะทํากายของเราให้เบาทําจิตของเราให้เบา จากเครื่องเศร้าหมองทั้งหลายทั้งปวงน้อมเอาประพุทธเอาประธรรมเอาประสงค์น้อมเอาคำสอนของพระเจ้ามาสถิตในหัวใจของเราขอให้หัวใจของเรานั้นอยู่กับความสงบอยู่กับความเป็นสมาธิให้ได้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ขอพระบระมีแห่งพระพุทธพระธรรมประสงค์จงโปรดมาทานพรเมตตาให้พวกเราทุกท่านเราทุกคน จงได้รับแสงสว่างแห่งธรรมจงมีสติที่ดีสมาธิที่ดีปัญญาที่ดีจงเกิดขึ้นในหัวใจของเราณนบะัดนี้ก็ให้เราค่อยๆเอาความรู้สึกเทีเราอยู่กับความสงบเข้ามาสู่ความรู้ในปัจจุบันนะจิตใจของเราจะได้ไม่มึนไม่งง ถ้าเราออกมันเร็วเลยเนี่ยรับรู้เลยเนี่ยมันเร็วเกินขณะที่จิตเรานิ่งเรามารับรู้เลยเนี่ยบางทีมันทําให้เรามึนงงล้วค่อยๆค่อยๆพอนั่งเสร็จเรียบร้อยค่อยๆลืมตาขึ้นมารับรู้แย่โยมดีมากเนาะต่อไปข้างหน้าภาลัยหัน์ก็จะได้เกิดขึ้นอีกเยอะแยะไปหมดเลยเนี่ย ฐานของจิตเนี่ยไปไหนไม่ได้นกโยมนอกจากถ้าเราไปคิดชั่วโลกียะฌานสี่ถึงแม้ว่าได้แล้วถ้าจิตมันชั่วมาไม่ฟังพระพุทธเจ้าก็สามารถลงนรกได้แต่ฐานของจิตเหล่าเนี่ยถ้าไม่เราไม่ไปทำเบรทํากรรมที่ไลยแรงก่าพ่อฆ่าแม่หรือทํำมันตริยกรรมเนี่ยของโยมยังไปอื่นไปไม่ได้นะโยมถึงแม้ว่าจะเป็นระยะที่ยาวหน่อยหนึ่ง แต่มันก็ไปจดหมายไปทางช้าๆได้พาเล่มนามเนี่ยเราก็ทาใบของเราไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆรู้ไปเรื่อยๆเมื่อเรารู้ไปมันก็แจ้งไปเรื่อยๆแจ้งไปเราเลยๆเราเดินจากความมืดเข้าไปหาแสงสว่างมันจะมีท่าไม่มีทางเขาจะไปเจอแต่ความมืดไม่มีทางมันก็จะเข้าไปหาแสงสว่างแสงสว่างเหมือนเราอยู่กลางคืนเนี่ยเช้ามืดเรานั่งเนี่ยนั่งไปนั่งไปมันจะมืดไปเรื่อยๆไม่ใช่ มันจะเข้าไปตูกับแสงสว่างแสงสว่างพอไปเจอแสงสว่างปั๊บเราจะเห็นทั้งหมดเลยต้นไม้อ่อนต้นไม้แก่ต้นไม้เล็กต้นไม้น้อยอะไรต่างๆต้นเป็นมงคลไม่เป็นมงกลทั้งหมดเนี่ยมันจะเห็นทั้งหมดเลยเสียงดีเสียงไม่ดีมันจะได้ยินทั้งหมดเลยหูนี่มันจะเปิดหมดจิตมันจะรับรู้ทั้งหมดะให้รู้เลยนั่นวะนั่นคือธรรมชาติเมื่อเรายอมรับธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้วลปั๊บเนี่ยชีวิตของเราจะไม่มีคาว่า อะไรต่างๆมาเนี่ยโยมหลายๆคนที่มีเงินมีทองมากๆมียศถาบรรดาศักดิ์มากๆแต่ไม่มีธรรมในหัวใจเลยแม้แต่นิดเดียวโยมว่าสมบัติเหล่านั้นเอาไปได้เลยไปไม่ได้ยศถาบรมดาศักดิ์ก็เอาไปไม่ได้แต่สิ่งที่เอาไปได้ถึงคือกรรมและเวรที่ทําไปนั่นแหะเอาไปแหละแล้วมันโยมจะไปไหนนะพุทธเจ้าบอกทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วคนเราคิดทําในสิ่งที่ไม่ดี โลกมีจริงสวรรค์มีจริงนิพพานมีจริงเนี่ยนี่พระศ า, ศาสดาสอนอย่างนั้นพระอรหันตสาวกก็สอนอย่างนั้นเราเชื่อพระศ า, ศาสดาเราจึงต้องมาทําอยู่อย่างนี้ไงแล้วทุกคนมาด้วยความยากลําบากแทนเราจะไปแต่มันลาบากวันนี้มันจะสบายต่อไปข้างหน้าถ้าโยมไปเกิดนาะยมจะไปเกิดในสถานที่ที่ดีดีกว่าในปัจจุบันอาจจะเกิดในแผ่นดินไทยนาะยมอาจจะเกิดในแผ่นดินไทยแต่โยมจะมีจิตใจที่สูงกว่านี้ โยนจะมีจิตใจที่สูงกว่านี้เพราะอะไรล่ะเพราะเราปลูกต้นไม้ดีเข้าไปแล้วลดน้ําใส่ปุ๋ยต้นไม้ดีรสชาติมันลูกใหญ่ดกมากเราปลูกลงไปแล้วต้นไม้นั้นๆถูกดูแลดีเนี่ยมันจะไม่ออกลูกเหรอลูกออกมาจะเป็นเปรี้ยวเหรอมันเป็นเปรี้ยวไม่ได้มันต้องเป็นมันแล้วต้องลูกใหญ่นี่เป็นธรรมชาติของมันอย่างนั้นเราอยู่กับธรรมชาติทั้งหมดอย่าไปสนใจเรื่องของเสียง อย่าต้องไปสนใจการทำงานเนี่ยของเราเนี่ยทงานเก็ต้องอยู่กับอุปสรรคไอ้ใจของเราเนี่ยมันไม่เท่าไรหรอก แ, แต่อาอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกเนี่ยที่มันเข้ามาสู่ใจเรานมันไปดึงอะไรต่างๆมาเนี่ยนที่สุดไอ้จิตตัวเนี้ยมันสำคัญที่สุดพระเจ้าจึงได้บอกว่าแก้ที่จิตเนี่ย สุขมันก็อยู่ตรงนี้ทุกข์มันก็อยู่ตรงนี้หยาบละเอียดมันก็อยู่ตรงนี้ปัญหาทั้งหลายทั้งปว่วมันอยู่ตรงนี้นรกจกเปรตอะไรตั้งๆันอยู่ตรงเนี้ความอิจฉาที่ยายมันอยู่ตรงนี้นนพุทธเจ้าเลยให้แก้ตรงนี้ถ้าแก้ตรงนี้ได้เห็นคุณค่าของการแก้ได้แล้วรักษาใจของเราให้ดีเป็นปกติโยมไม่มีทางจะหลุดรอดออกไปทางอื่นแน่นอนมันก็เข้าไปสู่ดินแดนแห่งมรรคนิพพานจะไปอื่นไปไม่ได้เพราะเส้นทางเส้นทางที่เราเดินไป เป็นเส้นทางที่ไม่ใช่เกิดขึ้นจากเราเดินไม่ใช่เส้นทางที่เรากําหนดเดินแต่เป็นเส้นทางที่พุทธเจ้าวางหลักไว้พ่อแม่ครูบาอาจารย์วางหลักไว้แล้วเราเดินไปตามเส้นทางนั้นมันจะไปไหนถ้าไม่ใช่โสดาบันตะกิตอคานาคาหรือพระาลหาันมันต้องไปของมันแน่นอนอยู่แล้วทํายังไงก็ไม่มีทางไปอย่างอื่นได้เพราะว่ า, เรา เ, นนานะเราเดินในสิ่งที่ถูกทางนะเราเดินในสิ่งที่ถูกทางมันเป็นคุณค่าที่มหาศาลมาก อาตมาก็เหมือนกับโยมนี่แหละเราก็ยังไม่ได้พ้นนะโยมกิเลสยังมีท่วมหัวท่วมตัวเราอยู่แต่เราระวังมันอยู่ทุกวันถามว่ามันหมดหรือยังมันยังไม่หมดะบางทีมันนอนนิ่งเฉยเยไม่ใช่ว่ามันหมดนะคนเราเนี่ยมันนิ่งเฉยเฉยมันไม่ใช่ว่ามันไม่ยุ่งนะมันหลับอยู่เด็กมันหลับอยู่มันก็ไม่ยุ่งมันนอนอยู่ในเปมันตื่นขึ้นมาเมื่อไห่มันยุ่งมันนั้นอารมณ์ของเราเหมือนกันน่ะถ้ามันตื่นขึ้นมามันไห่มันก็สัดเรามันนั้นน่ะ ว ค, วความโลภความโกรธความหลงเพราะฉะนั้นเราต้องพยายามดูมันว่าต้องทําดูมันว่าจะทํำยังไงให้เด็กมันอยู่ในโอวาทของเราให้จิตใจของเราอยู่กับธรรมะอยู่กับความเป็นธรรมชาติแล้วมองธรรมชาติเหล่านั้นเป็นเครื่องอยู่ของเราเป็นเครื่องทดสอบของเราดีมั่งไม่ดีมั่งเป็นเครื่องทดสอบเราว่าจิตของเราจะข้ามพ้นหรือไม่พ้นเนี่ยโยมมีคนหนึ่ง เขาทำงานอยู่ไฟฟ้าเขาก็เอาแผ่นซีดีมาให้ธรรมาฟังก็บอกว่าอาจารย์ลองฟังซิแล้วดูซิว่าอาจารย์จะว่ายังไงเขาก็เอาฟังมามีคนหนึ่งเป็นนักภาวนาไปถามปัญหาหลวงตามาบัวเรานี่แหละไปถามที่บ้านตานี่ยน่ะหลวงตาเจ้า้าหลวงตาเจ้าคา้าคพรนศานี้ลูกไม่มีความทุกข์เลยลูกมีแต่สุข อย่างเดียวตลอดเลยเรามีสุขอย่างเดียวตลอดเลยพันษานี้ลูกมีสุขอย่างเดียวตลอดเลยไม่เคยมีทุกข์เลยทั้งพันษาเลยหลวงตาก็ไม่พูดอย่างอื่นนะหลวงตาก็บอกไว้ว่าเราเข้าไปในห้องเรามองมาในรอบรอบห้องที่เราอยู่ในห้องนั้นนะ่ะมีแต่ความว่างทั้งหมดเลย แต่โยมรู้ไหมว่าไอตัวจิตของเราที่มันเห็นความว่างเนะี่ยมันยังมีอยู่เข้าใจไหมมันยังว่างอยู่แต่ไอตัวรู้ไอตัวจิตของเรานะั่นะตัวเห็นว่าว่างมันยังมีอยู่ลุงตาก็พูดแค่เนี้ไม่ได้ไปยกย่องเขานะทั้งที่คนเหล่านั้นมาถามลุงตาขณะที่ลุงตากลาลังแสดงธรรมอยู่ลุงตาก็บอกว่าหรือว่าเราเดินออกไปนอกห้องเรามองไปข้างนอก มองไปข้างนอกเห็นแต่ความว่างเปล่าทั้งหมดเลยแต่ไอตัวรู้ว่าตัวเองว่างเปล่ามันยังมีอยู่มันยังมีอยู่ลุงตาหมายความว่าอย่างนั้นลุงตาก็เคี้ยวมาเจ็บเจบเจบไปแล้วโยมก็ก็เอาเอาเทปแผ่นนี้มาให้ตมาฟังแล้วให้ตมาพิจารณาดูที่ว่าลุงตาหมายความว่าอย่างไรอ๋อไม่ยาก ลุงตาบอกเราเข้าไปในห้องไอตัวเข้าไปในห้องก็แสดงว่าเรายังมีตัวอยู่เข้าไปในห้องถึงแม้ว่าเห็นความว่างของห้องเหล่านั้นยังมีอยู่แต่ในห้องเหล่านั้นน่ะมันมองดูความว่างแต่ในอเศษละเอียดของในห้องนั้นน่ะมันมีผงทุลีต่างๆที่เราไม่เห็นจะว่ามันว่างได้ยังไงไอตัวเห็นว่างมันยังมีอยู่หรือเรามองไปข้างนอกเห็นแต่ความว่างอยู่แต่ไอสายตาของเรามันมองดูแต่ความว่างแต่ไอที่มันไม่ว่างมันก็ยังมีอยู Actually, ่ จะบอกว่าว่างยังไงเพราะฉะนั้นไอ้จิตที่มันภาวนาแล้วเนี่ยอยู่คนเดียวภาวนาแล้วจิตที่มันสงบแล้วเนี่ยมันไม่ได้เจอใครเลยมันอยู่คนเดียวอยู่กับสมาธิอย่างเดียวแต่มันยังไม่ได้ไปเจอปัญหามันจึงไม่มีทุกข์ไงเพราะเหตุทุกข์มันไม่เคยเกิดเพราะมันอยู่กับอารมณ์แห่งความเป็นสมาธิใช่ไหมเมื่ออยู่จิตมันเป็นสมาธิมันก็อยู่อย่างสุขสบายอยู่นั้นแต่อารมณ์ที่กระแทกเข้ามาสู่ใจเรา ยังไม่มีเมื่อลมมาแทะเขามาอยู่ในตัวใจเรายังไม่เกิดเราจะไปเจ็บได้ไงยังก็ไม่เจ็บพออารมณ์มันเข้ามาเมื่อไหร่เราจะรู้ทันทีว่าถ้าเราออกมาเจอมนุษย์ทั้งหลายทั้งปวงคนนั้นว่าอย่างนี้คนนี้ว่าอย่างนั้นคนนั้นว่าอย่างนี้แล้วเราจะดูด้วยว่าไอ้จิตของเราจะกระเพื่อมหรือเปล่ามันน้ําที่ยังไม่สะอาดบริสุทธิ์มันเป็นเพียงน้ําที่การกา ร, การกันกรองมาอย่างเพียงแค่หนึ่งระดับเท่านั้นเอง เหมือนน้ำปานะที่พระเจ้าบัญญัติไว้ว่าน้ำปานะที่มันเป็นน้ำผลไม้ที่เป็นเนื้อละเอียดที่กรองออกมาแล้วเพียงแค่ผ้าขาวบางครั้งเดียวยังใช้ไม่ได้ต้องกรองถึงเจ็ดเที่ยวน่และแล้วเจ็ดเที่ยวไม่ใช่ผ้าขาวบางอันเดียวนะต้องเป็นผ้าขาวบางที่ละเอียดมากขึ้นไปเรื่อยๆมืดขึ้นเรื่อยๆจึงจะได้น้ำปานะที่บริสุทธิ์ฉันแล้วจะได้ไม่เป็นโทษถ้าเราฉันน้ำในเมล็ด อันวันหนึ่งอาตมาไปวัดใหญ่ด้วยนะโยมวัดใหญ่ในกรุงเทพเนี่ยเราก็ไม่บอกว่าวัดไหนอะอาตมาก็ไปให้ท่านเซ็นหนังสือระหว่างที่คอยเซ็นหนังสือท่านก็ให้พระเอาน้ำปานะมาพราน้ำปานะมาอาตมาก็เห็นว่าท่านกอฉันพ่เอานันก็ฉันก็ฉันเราก็หยิบฉันโอ้โห น้ำส้มมีตะกากส้มทั้งนั้นเลยเราก็วางแก้วลงท่านก็รู้นะแต่ท่านพูดกันมาแตมาก็จะพูดทันทีแต่ท่านไม่พูดก็ให้มันเงียบตรงนั้นไปพูดเป็นพูดแล้วเนี่ยโยมมันไม่เกิดประโยชน์เพราะอะไรรู้ไหมทิฐิมานะของความเป็นใหญ่ของฉันฉันก็กินลงนั้นไปถ้าไปพูด มันเหมือนกับว่าไปจี้ถูกจุดเราก็พระเจ้าเมตตาได้เมตตากรุณาได้กรุณามุตาได้มุตตาอุเบกขาเมตตาไม่ได้มุตตาไม่ได้เมตกรุณาไม่ได้ก็ต้องวางอุเบกขาเราก็วางเบกขาเฉยมันก็กลายเป็นอยู่ดังนั้นแต่มันอยู่ในหัวใจของเราเป็นอยู่ในหัวใจของเราทําไมพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของเราจึงต้องพยายามย้ยําย้ยําย้าย้า เพราะอะไรกองข้างเดียวยมว่ามันสะอาดเหลื อ, อย่างเพราะไอ้สมาธิจิตที่มันเป็นสมาธิแล้วมาถามหลวงตาเ่านั้นถามเพื่อให้หลวงตาชมเข้าใจไหมให้หลวงตาชมว่าเออคนนี้เขานั่งภาวนาจิตเขาสงบตั้งแต่ในบรรษาสามเดือนเขายังไม่เคยเป็นทุกข์เลยเขามีความสุขตลอดเขาไม่ได้โกหกแต่ะบอกว่าเขาคนนั้นพ้นแล้วเหลื อ, อย a n เพราะเครื่องกระทบแกไม่มีแกอยู่คนเดียวอะ ภาวนาอยู่คนเดียวอยู่กับสมาธิคนเดียวยังไม่ได้เจอเครื่องกระทบลองไปดูอีดอกทักทีทีมันจะเป็นอย่างไรใช่ไหมนี่ลุงปู่ไหม่นะลุงปู่วัยยัรู้จักลุงปู่วัยหมลุงปู่วยเมื่อก่อนอยู่ยที่อยู่ที่สระบุรีเนะอธรมา ก, ก็อยู่กับท่านนะอันนี้ก็มาถึงโอ้โหยมาคุยธรรมะกับท่านอธรมา ก, ก็นั่งยิ้มเฉยๆอยู่ในใจวันนี้ลุงปู่จะทดสอบนะอะไรเนี่ยไงนะ โอ้ยนี่มาก็คุยจังมันเริ่มคุยทั้งที่แรกเหมือนมันจะเป็นผู้หลุดพ้นแล้วเนานะลุงปู่ใหม่ว่าไงพอพคุยไปคุยมาลุงตัวอีดอกนั่นเองล่ะปุ้ดขึ้นทันดีเลยสะบัด ต, ตูดออกไปเลยลุงปู่ใหม่ทั้งกะลุงปู่ไว้ทั้งกะยิ้มเฉยๆนั่นมันออกแล้วมันออกแล้วเนาะนั่นเลยโยมพอเจอของจริงเ้าไงโยมเพราะฉะนั้นเครื่องทดสอบเนี่ยเป็นเครื่องทดสอบที่ตั้งแต่อ่อนและจนเป็นแรง เนาะอันนี้วันนี้ก็ใช้เวลามาพอสมควรแล้วเดี๋ยวโยมจะได้รับพรก็นเนาะใครมีปัญหาอะไรจะถามก็เดี๋ยวค่อยถามวันนี้ก็ถวายของก่อนเดี๋ยวโยมจะได้รับพอรอ่สาสาธุเด้ออ่าอโยมเตรียมตั้งใจรับพรเนาะพอพราธรรมะ ที่มันมีอยู่ในหัวใจของเราที่เราได้ทำประพฤติปฏิบัติเนี่ยหัวใจที่มีธรรมะมันเป็นหัวใจที่เป็นแรงบันดาลใจที่บริสุทธิ์ถ้าอยู่ในใจของเราเราก็จะทำงานด้วย ใ, ใจที่บริสุทธิ์โดยไม่เห็นแก่ตัวไม่เห็นแก่ได้ไม่เอาเปรียบแล้วมีแต่น้ำใจมีแต่ความจริงใจทำงานด้วยความตั้งใจ งานเหล่านั้นออกมาด้วยความบริสุทธิ์ใจทุกคนถ้ามีธรรมะในหัวใ จ, จมีศีลหน้าทุกคนจะอยู่ด้วยความบริสุทธิ์เราไม่ใช่เอาเพียงแค่ความสุขในปัจจุบันเราต้องการความสุขต่อไปในภายภาคหน้าเพราะนั้นอะไรก็ตามในสิ่งที่เป็นของที่สีดำที่เป็นความมืดที่พุทธเจ้าตัดเรียกว่าเป็นกิเลสกิเลสแปลว่าความมืดบุญแปลว่าแสงสว่างเราต้องการแต่แสงสว่างอย่างเดียว เพราะแสงสว่างเท่านั้นที่จะทำให้เราเห็นทุกสิ่งทุกอย่างรู้ทุกสิ่งทุกอย่างแล้วเราก็จะปฏิบัติตัวของเราเองนั้นเพราะนั้นแรงบันดาลใจในการทำงานโดยไม่เห็นว่าเราเสียเปรียบเขาคนอื่นเขาได้เปรียบเราเราไม่ต้องไปมองเรามองอยู่นะทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดเท่าที่จะทำได้โดยตัวเราเขาไม่เดือดร้อนคนอื่นก็ไม่เดือดร้อนแล้วมันก็จะเป็นทาให้จิตของเรานั้นบริสุทธิ์ นาไปถึงปัจจุบันนี้แล้วก็พบหน้าชาติหน้าชาติหน้ามีต่อไปเราจะได้ไม่ต้องไปใช้นี่ใช้ศีลใช้เวรใช้กรรมเราเหมือนพระริยสงพระริยเจ้าเกิดมาท่านก็มีแต่ความบริสุทธิ์มาพอฟังธรรมปั๊บท่านก็บรรลุธรรมทันทีเพราะความบริสุทธิ์นี่ยแต่ว่าพระเทวทัตถึงแม้ว่ า, าศาสนาหมดไปแล้วเทวทัตก็ยังตกนรกอยู่ตกนรกอยู่เพราะว่า จิตที่มันไม่มีธรรมจึงไม่มีแรงบันดาลใจในการจะทำความดีมันมีแต่ความอิจาริษยาตลอดเพราะนั้นขอให้เรามีธรรมะในหัวใจมันจะได้เป็นแรงบันดาลใจทำงานของเราพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวตัดไว้ว่าในโลกนี้มีทั้งคนดีและคนไม่ดีแต่เราควรจะสนับนสนับสนุนคนดีให้ได้ทางานแล้วโลกใบนี้จะอยู่ยังมีความสุข เพราะอะไรเราน้อยที่ตุดเราก็คนหนึ่งก็ไปสนับสนุนคนนู้นก็สนับสนุนคนนี้ก็สนับสนุ น, ค น, น, น, น, นคนชั่วก็จะน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปเพราะนั้นเรามีผู้บริหารที่ดีเราก็สนับสนุนท่านนะให้ความคุ้มครองท่านนะก็เรียกว่าออกรับแทนท่านอะไรต่างๆ ท, ท่านนะพราะท่านเดิอยู่ดีมีสุขเราก็อยู่ดีมีสุขต้นไม้มีทั้งใบทั้งกิ่งทั้งก้านถ้าเราดูแลรักษาดี พอออกผลมาเล่านะั่นแหละเป็นผู้ได้เก็บผลประโยชน์จากต้นไม้ต้นนั้นดังนั้นเราก็เหมือนกันเพราะฉะนั้นอาตมาขออนุมโมทนาเมื่อกี้นี้ดูแล้วถ้ามันมันเหมือนกับว่าถ้าเราไม่มีจิตทุกดวงเนี่ยอาตมาเหมือนนัตามายอยู่องค์เดียวระหว่างที่นั่งหลับตาสมาธิทุกคนเงียบเก็บแต่จิตนั้นสว่างทั้งหมดจิตนั้นสว่างทั้งหมดด้วยอัดด้วยธรรม ยมตั้งจิตตั้งใจทําความภาคความเปลี่ยนกันแต่เสียงไม่มีนี่คือความสงบแต่แสงพลังนั้นมันไม่สามารถจะอะไรปิดกั้นได้นะไม่มีอะไรปิดกั้นได้พรอลืมตามาโหย่ายมเต็มห้องก็เพราะอะไรล่ะเพราะจิตของเราอยู่กับความสงบความสงบนั้นก็คือนัตติสันติพรังสุ ข, ขังสุขอื่นนอกจากความสงบไม่มีเพราะโยมก็อยู่กับความสงบ ทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆทำไปเรื่อยๆเราคนหนึ่งละที่อยู่ในที่นี้ทั้งหมดทุกคนนี่แหละจะไปอยู่ในสถานที่บรมสุขที่สุขอันยอดยิ่งที่เรียกว่าพระนิพพานจะไปไหนไปไม่ได้นะปลูกมะเขือต้องได้มะเขือปลูกข้าวได้ข้าวปลูกถั่วได้ถัว่วปลูกมันได้มันจะเป็นเป็นอื่นไปไม่ได้แต่ปลูกถั่วได้มันไม่มีในโลกนี้ ทำดีได้ชั่วไม่มีทำสมาธิเราจะต้องไปนั่งตกนระกไม่มีถ้าเราไม่ไปคิดทำในสิ่งที่ชั่วแล้วคนที่ทำบุญนั่งสมาธิภาวนาเห็นเห็นตัดจะทำแล้วเห็นทำแล้วเราจะไปทำความชั่วทำไมเราก็มุ่งมั่นทำความดีต่อไปนะตอนนี้ไปตั้งใจตรวจน้ํารับพร น, นะแล้วก็แผ่เมตตาไปเหมือนอย่างที่โยมได้เก่าทาถวายสังฆทานไปเมื่อสักครู่นี้ ยะถาวาริวหาปุราปิลิปุเรนติสาคระังเอวามิวะอิโตดินนางเปตานังอุปการปติอิจจิตังปจิตังตุมหังกิบเมวัสมิจันตุสาเบปุเรนตุสังขปาจันโนปนารโสยะธามณิโชติรโสยะา สามเบียนที่โยวิวันจันตุสาพโรโควินาตสันตุมาเต็มภวัตวันตรายโยอสุขินทีกายโยโคอภวะอภิวันธนสีเรนสนิต จังวุฒาปัจายิโนุนจต์ตารุณธรรมะวัฏทันติอายุวันโนสขุขังปารางอายุวัดทกาธันนวัฏทกาสิริวัดทกายันสวัด ทากาพันลวัดทากาวันณวัดทากาสุขวัด ท่ากาโหตุสามพทานทุกขารวนคำใบยเวราโศกาสันตุจุปัเทวาเนกาอันตารายามปิวินัตสันตุจาเตนชาสาชยสิทธิท่านางราพังสด ทิพภาคขยังสุขังพลังสิริอายุจาวันโน้จ่าโปขังวนทิใจยศสวะสันตวันสาจอายุจ่าจิวสิททิภาวรรตุเต พวันตุสามพัมังคารังรักขันตุสามปเิวัตะสามบัมบุญทานุภาเวนัสตาสามส่วนทีพวันตุเตมพวันตุสามพัมังคารังรักขันตุสามปเทวตะสามบธรรมานุภา เวนะสัตทานโสติภวันตุเตภวันตุสามังคารังรักขันตุสามบาเทวาตาสาภังคานุภาเวนะสัตทานโสติภวันตุเต